สมบัติผู้ดีคุณธรรมหรือวัฒนธรรมเกี่ยวกับจริยามารยาทหรือที่เราเรียกว่าสมบัติผู้ดีนั้นจะเห็นได้ในวินัยปิฎกเช่นที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยให้ภิกษุนุ่งห่มให้เรียบร้อยทั้งในขณะปรากฏกายในที่ชุมนุมชนและเราแวก บ, บ้านและในขณะฉันอาหาร ไอให้ภิกษุสำรวมมือเท้าด้วยดีในขณะที่ไปหรือนั่งในบ้านสำรวมมือเท้าคือไม่เล่นขนองด้วยมือเท้า 3. ไอให้ภิกษุไม่เลิกผ้าซึ่งแสดงให้เห็นความไม่เรียบร้อยในขณะที่ไปหรือนั่งในบ้าน 4. ่ ให้ภิกษุไม่หัวเราะหรือส่งเสียงดังจนหน้าเกลียดในขณะที่ไปหรือนั่งในบ้านห้าให้ภิกษุไม่แสดงอาการหน้ารังเกยียจเช่นโครงกายโครงแขน ส, สันสีษะเอามือค้ำกายเอาผ้าคลุมศีษะเดินกระโยงแบบคนย่องเบาหรือนั่งรัดเขา่าซึ่งถือกันว่าไม่สุภาพในขณะที่ไปหรือนั่งในบ้าน ในการฉันอาหารให้ภิกษุชันด้วยอาการอนันเรียบร้อยไม่พูดขณะข้าวเต็มปากไม่โยนคำข้าวเข้าปากไม่ฉันทำกระพุ้งแก้มให้ตุยไม่ฉันพลางสะบัดมือพลางไม่ฉันลบลิ้นไม่ฉันมีเสียงดังจับจับหรือซุดๆดไม่ฉันเลียมือหรือเอามือสกปรกจับภาชนะน้ำเป็นต้นเจ็ด มีให้ภิกษุไปแอบฟังความเพื่อจะรู้ว่าเขาว่าอะไรตนหรือพวกของตน 8. มีให้ภิกษุเล่นซ่อนบริขารคือเครื่องใช้ของภิกษุอื่นรวมทั้งเล่นจีภิกษุอื่นหรือหลอนภิกษุอื่นให้ลัวผี9มีให้ภิกษุพูดปดใช้คำหยาบคายด่าว่าหรือยุยงให้ผู้อื่นแตกร้าวกัน 10. ไม่ให้ภิกษุแกล้งเข้าไปนอนเบียดภิกษูอื่นในเมื่อรู้ว่าห้องนี้มีผู้คนอยู่ก่อนแล้วด้วยคิดว่ารำคาญเข้าก็คงหลีกไปเอง 11. เขากำลังบริโภคอาหารกันอยู่ภิกษุเข้าไปนั่งแทกแซงหรือทำให้เขาต้องวุ่นวายก็ห้ามไว้ด้วย 12. ไม่บวนน้ำลายหรือทิ้งเศษของทางหน้าต่าง 13. ไม่แสดงความมักได้ขอของอะไรต่ออะไรจากผู้อื่นในเมื่อไม่มีเหตุผลพอสมควร 14. จะเปิดปิดประตูหน้าต่างจะจุดไฟดับไฟจะท่องบวนสาธยายถ้าอยู่ร่วมกับภิกษุอื่นจะต้องขอโอกาส หรือขออนุญาตพระภิกษุผู้แก่พรรษากว่าก่อน 15. การใช้ห้องน้ำห้องซ้วมให้ถือตามลำดับก่อนหลังไม่แย่งกันคือเข้าคิว 16. ไม่ให้ใส่ความหรือหาเรื่องกล่าวโทษผู้อื่นโดยปราศจากความจริง ข้อความที่แสดงมาพอเป็นตัวอย่างเหล่านี้ของพอธรรมท่ท่านผู้อ่านเห็นได้บ้างว่าความเป็นผู้ดีหรือคุณสมบัติของผู้ดีนั้นได้มีสอนไว้อย่างถี่ถ้วนเพียงไร